ความสัมพันธ์แบบชาวพุทธระหว่างมนุษย์กับเทวดาอาศัยความเข้าใจเกี่ยวกับฐานะของเทวดาและเหตุผลเกี่ยวกับโทษของการสัมพันธ์กับเทวดาด้วยท่าทีที่ผิดดังกล่าวมาพระพุทธศาสนาจึงสอนให้ละเลิกวิธีการแบบหวังพึ่งขอผลเสียทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการอ้อนวอนหรือการบีบังคับก็ตาม แล้วชี้แนวทางใหม่คือการวางท่าทีแห่งเมตตามีไมตรีจิตอยู่ร่วมกันฉั้นมิตรเคารพนับถือซึ่งกันและกันในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์หรือเพื่อนร่วมสังสารวัฏและในฐานะที่โดยเฉลีย่ยเป็นผู้มีคุณธรรมในระดับสูงพร้อมทั้งให้มีท่าทีแห่งการไม่วุ่นวายไม่ก้าวกายแทรกแซงกัน โดยต่างก็เพียรพยายามทากิจของตนไปตามหน้าที่ถ้ า, าทีแห่งการไม่รบกวนและไม่ชวนกันให้เสียเช่นนี้ถ้าสังเกตก็จะพบว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏชัดเจนในประเพณีความสัมพันธ์แบบชาวพุทธระหว่างมนุษย์กับเทวดาเพราะมีเรื่องราวเล่ากันมามากมายในคำพีต่างๆเฉพาะอย่างยิ่งอัทกถาชาดกและอัทกถาธรรมบทตามประเพณีนี้ เทวดาที่ช่วยเหลือมนุษย์ก็มีอยู่เหมือนกันแต่ลักษณะการช่วยเหลือและเหตุที่จะให้ช่วยเหลือต่างออกไปจากแบบก่อนคือเทวดาที่ช่วยเหลือมาช่วยเองด้วยคุณธรรมคือความดีของเทวดาเองไม่ใช่เพราะการเรียกร้องอ้อนวอนของมนุษย์และเทวดาก็ไม่ได้เรียกร้องต้องการหรือรอการอ้อนวอนนั้นทางฝ่ายมนุษย์ผู้ได้รับความช่วยเหลือก็ทาความดีไปตามปกติธรรมดา ด้วยุณธรรมและความสำนึกเหตุผลของเขาเองมิได้คำนึงว่าจะมีใครมาช่วยเหลือหรือไม่และไม่ได้เรียกร้องขอความช่วยเหลือใดๆส่วนตัวกลางคือเหตุให้มีการช่วยเหลือเกิดขึ้นก็คือความดีหรือการทำความดีของมนุษย์มิใช่การเรียกร้องอ้อนวอนหรืออามิตสินวอนใดๆเทวดาองค์เด่นที่คอยช่วยเหลือมนุษย์ตามประเพณีนี้ได้แก่เท้าศักกะ ที่เรียกกันว่าพระอินคติการช่วยเหลือของพระอินอย่างนี้นับว่าเป็นวิวัฒนาการช่วงต่อที่เชื่อมจากคติแห่งเทวานุภาพของลัทธิศาสนาแบบเดิมเข้าสู่คติแห่งกรรมของพระพุทธศาสนาแม้จะยังไม่ใช่เป็นตัวแท้บริสุทธ์ตามหลักการของพระพุทธศาสนาแต่ก็เป็นคติที่วิวัตเข้าสู่ความเป็นพุทธถึงขั้นที่ยอมรับเป็นพุทธได้ สาระสำคัญของคตินี้ก็คือมนุษย์ที่ดีย่อมทำความดีไปตามเหตุผลสามัญของมนุษย์เองและทำอย่างมั่นคงแน่วแน่เต็มสติปัญญาจนสุดความสามารถของตนไม่คำนึงถึงไม่รีรอไม่เรียกร้องความช่วยเหลือจากเทวดาใดๆเลยเทวดาที่ดีย่อมใส่ใจคอยดูแลช่วยเหลือมนุษย์ที่ดีด้วยคุณธรรมของเทวดาเอง เมื่อมนุษย์พูดทำดีได้รับความเดือดร้อนหากเทวดายังมีความดีอยู่บ้างเทวดาก็จะทนดูไม่ไหวต้องลงมาช่วยเองพูดง่ายๆว่ามนุษย์ก็ทำดีโดยไม่คำนึงถึงการช่วยเหลือของเทวดาเทวดาก็ช่วยโดยไม่คำนึงถึงการอ้อนวอนของมนุษย์เทียบกับสภาพปัจจุบันน่าสังเกตว่ามนุษย์ในบัดนี้ดูเหมือนจะหนักในการอ้อนวอนมาก ถ้าเพียงพยายามก่อนจึงอ้อนวอนก็พอําเนาแต่ที่มีมากกลับเป็นว่าตนไม่ได้ภาคเพียงอะไรก็ไปบวงสวงอ้อนวอนเทวดาส่วนเทวดาเล่าก็รอการอ้อนวอนก่อนจึงมาและใครอ้อนวอนก็มาช่วยก่อนนั้นไม่ต้องคำหนึ่งว่าเขาทำดีหรือไม่ที่จะทดลองทดสอบความดีก่อนเป็นอันไม่ต้องพูดถึงถ้าเป็นอย่างนี้ลองมาทายกันว่า เทวดาที่ลงมาจะเป็นเทวดาแบบไหนน่าเกรงไม่ว่าเทวดาไยลาบและเทวดาสวมรอยจะมากันมากหรือไม่ก็เทวดาใจอ่อนที่มัวมาครุกคลุยกับมนุษย์จนพาเสียไปด้วยกันถ้าใครยังห่วงยังหวังเยื่อใยในทางเทวานุภาพอยู่ก็อาจจะท่องคติต่อไปนี้ไว้ปลอบใจว่าการเพียรพยายามทาดี เป็นหน้าที่ของมนุษย์การช่วยเหลือคนทำดีเป็นหน้าที่ของสวรรค์เราทำหน้าที่ของมนุษย์ให้ดีที่สุดก็แล้วกันแต่ถ้าจะให้ถูกแท้ก็ควรว่าการเพียรพยายามทำดีเป็นคุณธรรมของมนุษย์การช่วยเหลือคนทำดีเป็นคุณธรรมของสวรรค์แต่ที่ใช้คำว่านหน้าที่ตรงนี้เพราะฟังง่ายและกำชับการปฏิบัติมากกว่า จึงขอสรุปคติสำหรับผู้ที่ยังมีเยื่อใยในเทวานุภาพอีกครั้งว่าการเพียรพยายามทาดีเป็นหน้าที่ของมนุษย์การช่วยเหลือคนทาดีเป็นหน้าที่ของสวรรค์เราทำหน้าที่ของมนุษย์ให้ดีที่สุดก็แล้วกันถ้ามนุษย์ไม่เพียรทาดีมัวแต่อ้อนวอนเทวดาและถ้าเทวดาไม่ใส่ใจช่วยคนทาดีมัวแต่รอการอ้อนวอน หรือคอยช่วยคนที่อ้อนวอนก็คือเป็นผู้ทาผิดต่อหน้าที่เมื่อมนุษย์และเทวดาต่างขาดคุณธรรมปฏิบัติผิดหน้าที่ก็จะประสบความหายณะไปด้วยกันตามกฎแห่งธรรมดาที่ควบคุมทั้งมนุษย์และสวรรค์อยู่อีกชั้นหนึ่ง